แล้ววันนี้พัตมานี้ก็ตั้งแต่2 5งพห้าเก็ประมาณ2 5 5 6ปีที่แล้วก็จะได้โอกาสเดินทางมาที่วัดป่าสุกัตโตกันเรก ก็ตอนนั้นก็อรรมาก็ได้ดูจากออมังเพกคมเขียนจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลายัยจุลาลงกมมหาวิทยาลายัยสมัยนั้นก็อรรมาก็มา อ่าศึกษาแล้วก็อ่ามาทำการวิจัยแล้วก็ทำการพัฒนาจนบทของของของพัฒนายกระจบที่ของญี่ปุ่นก็จบปีหนึ่งแล้วก็ก็อยากจะศึกษามาก เพราะว่าตมาสนใจเรื่องบัฒนาจนนบทแล้วก็ทันทันทีรู้ว่ามีพระนักบัตนาที่เมืองไทยตมาก็ทันทันทีได้ยินได้เข้าใจว่าพุทธศาสนานี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ช่วยเหรือต่างด้านจิตใจ แล้วก็ช่วยเหลือสร้างสันติภาพของชุมชมคิดว่านี่ก็ดูอยู่มาแต่ก่อนตอนอยู่ญี่ปุ่นแต่มาก็เป็นสมัยเป็นนักศึกษาแต่ว่ายังไม่ได้เห็นว่าเป็นการปฏิปฏิ ก, ปการของ พระสงที่ญี่ปุ่นนี่ก็สมัยธรรมดานี่ก็ทำการพุทธศาสนาก็เป็นทำพิธีกันมากเพื่อคนตายแล้วก็รักษาสุสานของบรรพบุรุษนี่เป็นหน้าที่ของพระสนที่ญี่ปุ่น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 คำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการพัฒนาของชุมชนหรือว่าแก้ไขปัญหาสังคมเช่นความยากจองความเป็นหนี้สินปังหาทางด้านจิตใจเพราะว่าก็ พุทธศาสนาที่ญี่ปุ่นนี่ก็มาจะแนงคนตายนะเพราะว่าเป็นการศพนี่ก็เป็นสําหรับคนตายแล้วก็รักษาสุสานก็คนที่ตายไปแล้วแต่ว่าโอกาสที่ดีมาเมืองไทยแล้วตอนแรกๆก็ไม่ค่อยได้สนใจพุทธศาสนาที่เมืองไทย ตนมาก็สนใจการพัฒนาชนบททนามู่บ้านไปปักเนื้อบ้านไปปากอีกสามบ้านแต่ว่ า, าได้พบพระนักพัฒนาใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชนบทก็ตนมาก็สนใจประทับใจ เพราะว่าตมะก็สนใจเรื่องกานพัฒนาด้วยแล้วก็ขอมพุทธศาสนาก็สนใจด้วยก็พอดีอาจารย์ที่มหาวิยาลัยนั้นที่ชุลาลงคลก็แนะนำตมาก็อยากจะ เ, ออเข้าสนามอยากจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาของพระสน เป็นยังไงก็พอดีเป็นอาจารย์ที่นั่นก็แนะนำในรลงโปรแกรมเขียนที่วัดป่าสุกัโตนี่ก็เป็นของขั้นดันเป็นความคุณภาพแล้วก็ถามอีกคนนึงเป็นเพื่อนเป็นนักพัฒนาคนไทยที่ของแก่นแผงของพัฒนากระจมเป็นเจ้าหน้าที่เจ้อกุมมี นี่ก็ถามเอ่อเขาแล้วก็เขาก็บอกว่าเออหลวงพ่อคำเขียนที่วัดป่าสุขตอนี่ดีมากก็เลยอัตมาองสองคนที่อมาก็คุนค้นเคยเป็นเพื่อนและเป็นอาจา ร, รย์ก็ได้แนะนำหลวงพ่อว่าเป็นยังไงก็ทันตนที่ได้อ่านนั้นสือก็ ได้โดยแล้วพนักพัฒนาที่เมืองไทย 7-8 คนป8ออนอาจารย์จเจริมอาจารย์โพ่นานแล้วก็หลายท่านแต่ว่าก็ก็ยังไงก็พบกันแล้วก็คิดว่าเป็นดีนะแต่ว่า ก็ยังไม่ได้คิดจะบวชอะไรแต่ว่ามาที่วัดปาสกัโตตอนแรกๆก็เจออาจารย์พิสังาจารพสบอกว่าหลวงพ่ออยู่ที่วัดธรมอ๊ไฟหวานก็เลยเออก็จะลองไปดูหวพ่อไปหาก็พบพบกับหลวงพ่อที่วัดธามอ๊ะไฟหวานแล้วก็ก็ประทับใจก็เรียก หาเป็นเกล่้มสายสัตตาหน้าทีเดียวเป็นรูปร่างของหลวงพอ่อ ย, ยิ่มเยี่ยมเทมสายมีแม่ตามาถมา ก, ก็ตอนรอแรกแล้วก็มาเยี่ยมเฉยแต่ว่าก็พบกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ ม, ม, มีงานยื่นเนื้อจัดหลมไปแกล้ ง, งก็อะไรมีทุละก็ อยู่ด้วยการคุยกันก็แค่5นาที10นาทีก็ตามาก็เริ่มใส่ศรัทธายัยิ่งก็เลยขอ อ, อยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ออดออีบอกแล้วก็ให้อามาปฏิบัติสักหนึ่งเดือนเตรียมการบวชเป็นผ้าขาวก็จะได้ ให้บวชที่เจ้ากระน้ำเปิอสมัยก่ อ, น, อนนี่ก็เป็นเจ้ากันจังหวัดอีวัดใจชัยสามหมอก็พอดีจะได้จำคำขอบวชมนพิธีก็จะพอจะต้นได้แล้ว จะเต็มพร้อมแล้วก็ชาวบ้านก็มารวมกันประชุมกันจะเป็นอุอ ป, ปตากเป็นพ่อแม่แทงให้เพราะว่าอย่างนั้นก็เลยธรรมก็ ด, ดีดีใจยันยิ่งก็จะเอ่อจะบวช นอนดูตอนแรกๆว่าจะ3บวด3มเดือนเป็นแกช่วนที่เป็นปัญษาปัญษาเดียวก็จะออไปศึกแล้วก็ทำงานเรือทำงานพิจัยต่อแต่ตอนนี้ก็ลุงพ่อก็อยู่ที่วัดป่าจามพสางก็อยู่วัดป่า ก็ตอนแรกๆก็คิดว่าหลวงพ่อเป็นพระนักพัฒนาผมก็ไม่ก็ได้รู้ว่าเป็นพระคมถามเพราะว่าทันทันที่อ่านหนังสือก็ว่าแนะนําหลวงพ่อเป็นพระนักพัฒนาเป็นทํางานอย่างนี้อย่างงั้นช่วยเหรือชาวบ้านอย่างนี้อย่างงั้นก็เลยไม่ได้คิดว่าหลวงพ่อเป็นพระคมถามแต่ว่า ตรวจแล้วก็ อ, อ้อดูแล้วเพราะว่าหลวงพ่อก็ อ, อ่าเป็นสอน่าการเจริญสติไม่ใช่พูดถึง อ, อ่าการปัฒนาชนบบอะไรนี้อะไรนั้นแต่หลวงพ่อก็ให้เราก็ให้มีรักษาศีลมันเป็นภาวนา คนแรกๆกระตมาก็ไม่ค่อยได้เข้าใจคุณค่าการเจริญสติตาะตมาก็คคเคยปฏิบัติแบบเซนที่ญี่ปุ่นเป็นสมาธิเพ่นีวยลว่า ก, ย ก, ก็ยกมือโปกสองยกมือซ้านจังหวะเดินจงกลมคนแรกๆขอก็ชอบนั่นสงบสงบ แต่ว่าหล่นดูว่าการเริญสติยกนุสั้นจังหวะให้เดินจองคมยังไงดีเพราะว่าตอนที่นั่งสงบนี่ก็ตอนที่นั่งนี่ก็สงบดีแต่ว่าได้ยินเสียงดันดันจากด้านนอกแล้วก็รู้สึกว่าวุ่นวาย คิดว่างานเจริญสตินี่ก็่อนจะใช้ได้เพราะว่าเราก็ยึดมั่นถือมั่งกับสีเย็นหรือว่าสงบความสงบก็มัน ร, รู้สึกว่าทุกข์ใจก็ไม่หยุดก็เลยพยายามที่จะหลงดูตามหลวงปอสอนแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้อ่ ฟังเข้าใจภาษาไทยแล้วก็โดยเฉพาะภาษาธรรมะนี่ก็มันก็เป็นพิเศษไม่ค่อยู้เรื่องเท่าไหร่ก็ระยยตมาก็พยายามที่จะหลวงพ่ออ่าดูนยังไงทางารับอ่าเข้าช้งเข้าอย่างไงพูดยังไงก็พยายามที่จะทำตามหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ อยู่นั่นสงสงบแล้วก็อมน้อมตอนตอแล้วก็พุชาวาจาก็เป็นอ่าอหวานดีก็อรตมาก็ยังไงก็อ่าทำตามรวมพ่อดีที่สุดบางทีก็เดินจองโคมสางจังวะก็รู้สึกกัน เข้าใจคุณค่าการปฏิบัติแนวลมพ่อเทียนอ้อนี่เราก็ไม่ได้ติดกับความสงบมะตาไม่ได้ติดกับสงบแล้วก็เสียงดันจากด้านนอกอยังไงก็อ้อใจก็เป็นปกติตอนที่เราก็ติดกับความสงบนี่ก็เอารู้สึกุมไว้แล้วก็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 อยู่อย่างสบายแม้ว่าเสียงดังอก็ยินดีด้วยก็เสียงมาจากมู่บ้านเป็นเสียงเป็นหนังงังคืนตลอดตลอดคืนนี้ก็เออเราก็รู้สึกว่าก็เห็นใจด้วยชาวบ้านก็กาลังสนุกกันอยู่ยินดีด้วยก็ไม่ได้คิดว่าจะ ทุกใจ อ, อย่างนี้แต่เป็นที่หลวงพ่อก็แนะนำสองเป็นอานิสงส์การาสั้นจังว่าต้นจงคมเป็นการปฏิบัติธรรมนี่ก็มันจิตใจทำให้เป็นปกติสระได้ง่ายเพราะว่าเราก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่น รู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วปล่อยไปก็คิดว่าจะเออดีได้ผมแล้วก็อยากจะศึกษาปฏิบัติต่อไปก็คิดว่าเป็นเรียกว่าเป็นจิมรสชาติธรรมะมันดีก็เลยตัดสินใจจะเออบวชตอ่อตอนที่ออกปัรษาแล้วก็ไม่ได้ออก ไม่ได้กลับไปไม่ได้ศึกกลับไปทำงานต่อก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็มีสายลมพัดเทียงก็มีสายการไปที่วัดนั้นปฏิวัดนุน่นก็ปากขีสามปากใต้ก็ที่สนามในก็ไปเรื่อยๆกับพอ่อหลพ่อก็ ไปด้วยไปที่ไหนก็ก็หลวงพ่อก็เชินไปแล้วก็ไปแล้วก็มีพระสมหลายรูปแล้วก็มียาติโยมก็หลายคนก็มาปฏิบัติทำกันอันตันเทียตมาไม่ได้ก็อยอาภาษาไม่ก้อนไม่ชัดแต่ว่า ยังไงก็ให้พระผู้ใหญ่ทั้งก็ให้อัตมาก็แสดงธรรมไปตอนแรกๆก็ก็รู้สึกว่าเต้ น, ตนแต่ว่าก็ฝึกหลายครั้งแล้วก็ ค, ค, ค่อยๆคยชิน ได้ได้ประสบการณ์ดีมากเป็นการปฏิบัติตลอดวันแล้วก็สแสดงธรรมท่อนที่หน้ า, อาของญาติโยมหลายคนก็ได้ประสบการณ์ดีก็หลวงพ่อก็ทำให้ดูอยู่ให้เห็นตลอดก็ธรรมะก็รู้สึกว่าพุนใจ ก็ไปที่ไหนก็นั่นรถแม่กับหลพ่อหรือว่าจะอยู่ที่วดัดเอ่นก็รู้สึกว่าก็อบพนใจตลอดเลยแล้วก็โดยเฉพาะนี่ก็ต่อมาก็เวิร์ไปเรื่อยๆก็มีโอกาสตายอา่าไปสหรัฐอเมริกากับหรมพ่อ เป็นอ่าสิ่งที่ทางอา่าสมาคมพุทธศาสนาทางสหรัฐก็เจอญิมมลหลวงพอ่อแล้วก็ธรรมาก็ติดตามเป็นผู้ที่อุปตตา์ผู้ที่ช่วยเหลือหลวงพ่ อ, พอก็ติดตามไป ก็ได้ประสบการณ์ที่ดีมากอยู่6เดือนภรษาก็ปักที่วัดชนเห็ญในนิวยอร์กแล้วก็ไปที่ไต้หวันก็ไปด้วยก็อาตมาก็ไม่ก็ได้ช่วยอะไรได้ดีมากแต่ว่าตอนที่ต่านอาหาร จริงๆวัดจวนเย็นนี่เป็นวัดจีนอยู่ที่สหรัฐเป็นวัดแล้วก็พระของจีนก็อยู่ที่นั่นเป็นประจำก็สามสี่รูปมีเมชีเป็น เ, เป็นพิกษณีก็มีให้วัดใหญ่เนมีธรรมชาติแต่ว่าอาหารกลางกินนี้ก็คนจะเป็นลำบากหน่อยเพราะว่าเป็น อาหารเจ ก, ก็ดีนะแต่ว่าเป็นอาหารที่มีน้ำมันมากก็เลยพวกเราก็อา่าน้ำมันมากก็กินลำบากก็เลยก็พยายามที่จะทำเองอ า, อาหารก็ตอนนั้นนี้ก็ตารมาก็ช่วยหรือตารมาหาให้หลวงพอ่อ ปรจันด้วยเป็นไข่เป็นขนมปั้มเป็นโจ๊กอะไรต่างๆก็รู้สึกว่าหลวงพของก็กินอะไรก็เป็นเรียบง่ายๆนะตอนที่ยวทมาไม่ก็ได้อ่าทำมาห้างเกนอแล้วก็ไม่ก็มีผักก็มีบ้านแต่ว่าไม่ก็ได้ทําอะไรเป็น เออใส่รสชาติอร่อยอร่อยได้แต่หล่มพ่อก็อไม่ได้ว่าไรก็ฉันไปเรื่อยๆแล้วก็สวดมวนต์สอนญาติโยมที่สหรัฐเป็นคนจริงของอเมริกันก็มากันเนี่ยก็ตอนนั่งก็ ตมาก็อยู่กับหลวงพอ่อตลอดแล้วก็ได้ศึกษาได้ดีมากก็หลวงพอ่อก็สอนยังไงแล้วก็ตอนที่ไม่ได้สอเป็นก็หลวงพอ่อก็ทา เ, เขียนหนังสือนะชอบตอนที่ไม่ได้สอนก็เขียนบันทึกทุกวันทุกวันก็มีอะไรเป็น ก็เป็นแปลกแปลกนะที่สหรัฐอเมริกาเป็นพัฒนธรรมก็คอนละอย่างกันสิ่งอะไรดูแล้วก็อพอประทับใจก็บานทุกไว้แล้วก็เจอกับยาตออมก็มีคนสตารร์ร่วมสายมากนะ ก็มาหาหลวงพ่อเป็นทั้งคนไทยทั้งคนจีนเข้ามากันว่าหลวงพ่อก็เป็นส ง, งบดีสบายสบายก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาอยู่ยันเป็นสุขดีก็ไม่ได้เห็นหลวงพ่อก็ อ, อจิตใจร้อนแม้ว่าอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่ค่ก็ ไม่ได้เห็นเลยนะแม้แต่ครั้งเดียวว่างี้เศ้าม้อนความกรดนี่ไม่ได้เห็นเลยก <c oughs> ็จิตใจสงบสุขตลอดก็เลยอตาตมาก็ อ, อ, อย่างนี้ก็เป็นพระแท้ๆมันก็เวลาไหนก็ขยันแล้วก็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 ผมชอบปักก็หลวมพ่อก็เอาผักมาให้ก็ธรรมาก็จะได้นะก็ฉันก็ทุกเวลาทุกนาทีก็รลวมพอก็หมดใจใส่แล้วก็เจเมตตาการุณาก็ให้แกเราก็รู้สึกว่าผมก็เป็นหลวมพ่อก็เป็น เ, เป็นพ่อนะเป็นพ่อเป็นเอเป็นพิเศษแล้วก็เริ่มใช้สัตา์แม้ว่าหลวงพ่อก็รักสังขงไปแล้วก็พยายามที่จะเอาคำสองของหลวงพ่อแล้วก็สิ่งที่ผมได้ศึกษาไดา้รับจาก อ่าหพ่อสแสดงด้วยวาจาก็ดีด้วยอ่าสแสดงการกระทำเป็นที่อ่าเป็นเมตตากรุณาทรดคิดว่ามีความดีงามของนลวพ่อก็อยันอยู่ที่จิตใจของเรา กขาพยายามที่จะเอาสิ่งที่ได้รับมาจากหลวงพอ่อที่ดีงามนี้กอบพยายามที่จะเผยแพร่ถ้าคิดว่าเป็นอ่าสิ่งที่ดีงามของหลวงพอ่ออ่าวางไว้ให้แก่เราก็เอามาเผยแพร่ให้ เพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะได้สังคมก็ดีหรือว่าเป็นคนที่รูปอาโรบโลกของเราก็มีความสุขด้วยกันได้แน่นอนก็คิดว่าขอพอสมควเกเวลาก็ต่ตมาก็เพื่อไปเพียงแค่แค่นี้นะครับขอขอเิญพรทุตั้ง น, นะครับ